เจ็ดไรคนส่วนมากจึงไม่ยอมเชื่อเรื่องโอปปปาติกะในอปปันนกสูตรในสัมมาทิฏฐิสูตรและยังมีสูตรอื่นอื่นอีกมากมายที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าคนที่ไม่เชื่อว่าโอปปปาติกะมี เป็นมิจฉาทิฏฐิคำว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิในที่นี้หมายความว่ามีความเห็นผิดหรือความเข้าใจผิดเพราะความเป็นจริงโอปปปาติกะมีและความเชื่อว่าไม่มีก็เป็นภัยอย่างมากเพราะจะทำให้เกิดความมืดบอดต่อเรื่องชีวิตของตัวเหมือนกับคนตาบอดที่ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้ตามความเป็นจริงแต่คนส่วนมาก ไม่ค่อยจะรู้สึกถึงผลร้ายอันนี้เช่นคนที่ไม่ยอมเชื่อว่าโอปปาติกะมีจะไปเกิดในสวรรค์ไม่ได้จะบรรลุมรคนิพพานไม่ได้แม้ในระหว่างที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ก็จะประสบแต่ความทุกข์ในทางจิตใจอยู่เสมอยากที่จะเอาชนะความทุกข์ในทางจิตใจได้ วิธีหลบหลีกจากความทุกข์ซึ่งเราเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์คืออารมณ์อันไหนก่อให้เกิดความทุกข์ก็เลี่ยงไปเสียเพราะถ้ายัางเผชิญหน้าอยู่ก็เอาชนะความทุกข์ไม่ได้อันนี้ได้ผลชั่วคราวตรงกันข้ามกับผู้ที่เข้าใจเรื่องอปปาติกะแม้จะกําลังเผชิญหน้าอยู่กับความทุกข์เช่นกําลังประสบอยู่กับความยากจนความเจ็บป่วยความอายุติธรรม หรือความผิดหวังใดๆก็ตามแม้ว่าเหตุการณ์อันนั้นยังแก้ไขไม่ได้แต่สำหรับผู้ที่เชื่อเรื่องโอปปาติกะอย่างถูกต้องจะสามารถเอาชนะความทุกข์ได้ซึ่งใครจะเอาชนะได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของความเข้าใจและความเชื่อถือตัวอย่างเช่นอย่างข้าพเจ้า ก็มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์อยู่บ่อยๆเหมือนกันแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นจะละลายหายสูญไปได้อย่างรวดเร็วในเมื่อข้าพเจ้าได้รับคำเตือนสติหรือได้รับคำปลอบโยนจากโอปปาติกะที่ข้าพเจ้าเคารพ บ, บูชาและเท่าที่ข้าพเจ้าสังเกตดูจากคนอื่นที่มาหาข้าพเจ้าด้วยปัญหาความทุกข์ต่างๆก็เช่นเดียวกันสังเกตเห็นได้ชัดว่า คำแนะนำจากเทพเจ้าสามารถทำให้ความทุกข์ของคนเหล่านี้ละลายหายสูญไปได้อย่างรวดเร็วและที่ดียิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เรารู้แน่ว่าโอปะปะติกะมีจริงทำให้เรายึดมั่นอยู่ในกฎของกรรมอย่างลึกซึ้งและทำให้เกิดการปล่อยวางได้ง่ายทำให้เรายึดมั่นอยู่ในความดี ประโยชน์ของความเชื่อและความเข้าใจเรื่องอบปฏิกะนั้นมีมากมายเหลือเกินแต่ปัญหาก็มักจะมีอยู่เสมอว่าคนส่วนมากไม่ยอมเชื่อเรื่องนี้เพราะเขามองไม่เห็นเขาพิสูจน์ไม่ได้แม้จะฟังคำอธิบายแล้วก็ไม่เข้าใจความหนักใจของข้าพเจ้าในข้อนี้ข้าพเจ้าได้นาไปปรึกษากับเทพเจ้าหลายองค์ว่าเหตุไรมนุษย์ส่วนมากจึงไม่ยอมเชื่อ ท่านได้ให้คำตอบมาว่าการที่มนุษย์ส่วนมากไม่ยอมเชื่อเรื่องโอปปาติกะก็เพราะใช้เหตุผลตามสามัญสำนึกของตัวซึ่งเหตุผลที่ว่านี้บางอย่างจะเอาไปใช้กับเรื่องโอปปปาติกะไม่ได้เพราะมันเหมือนกับเราจะเอาเหตุผลของมนุษย์ไปใช้กับสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เราจะเข้าใจเรื่องสัตว์เดรัจฉาน เราก็ต้องพยายามใช้เหตุผลของสัตว์เดรัจฉานต้องพยายามอ่านความรู้สึกนึกคิดของสัตว์เดรัจฉานตามสันดานของมันอย่าเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบเพราะ ก, กฎเกณฑ์หลายอย่างไม่เหมือนกันเลยและในทํานองเดียวกันก็อย่าเอาเหตุผลของสัตว์เดรัจฉานมาใช้กับมนุษย์ดังเช่นบางคนชอบพูดว่าสัตว์ทุกประเภทย่อมมีความต้องการที่จะเป็นอยู่ และพยายามดิ้นรนที่จะรักษาชีวิตของตนเองไว้ทุกๆวิถีทางซึ่งความต้องการอันนี้มนุษย์ก็มีเหมือนกันฉะนั้นในเมื่อมองเห็นว่าสภาพของสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วไปมีอยู่ว่าสัตว์ใหญ่ย่อมกินสัตว์เล็กทุกชีวิตเห็นแก่ตัวทั้งนั้นการสืบพันธุ์การเอาเปรียบกันเป็นของธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์จะทาอย่างสัตว์ก็ไม่ใช่เรื่องผิด หรือเป็นเรื่องเสียหายอย่างไรเพราะเป็นเรื่องธรรมดาคนที่หลงเอาเหตุผลของสัตว์มาใช้กับมนุษย์เช่นนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะเขามีพื้นจิตใจต่ําระดับจิตใจของเขาไม่สูงไปกว่าสัตว์เดรัจฉานเท่าไรนักสามัญสํานึกของเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่รู้ตัวว่าเหตุผลที่เขาใช้อยู่ เป็นเหตุผลที่ไม่ควรนำมาใช้กับตัวเองในทำนองเดียวกันคนที่มีความเคยชินอย่างมนุษย์มีสามัญสำนึกอย่างมนุษย์เวลาจะศึกษาเรื่องโอปปปาติกะก็มักจะใช้สามัญสำนึกอย่างมนุษย์ฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสที่เข้าใจเรื่องโอปปปาติกะได้ทั้งๆที่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยาก ถ้าหากจิตใจของเราอยู่ในระดับสูงพอที่จะเข้าใจมันเหมือนกับคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวใช้สามาัญสำนึกอย่างสัสตว์เดรัจฉานแน่นอนเหลือเกินว่าจะไม่สามารถเข้าใจเหตุผลของผู้ที่มีนิสัยเสียสละทั้งทังที่เป็นมนุษย์ด้วยกันพูดภาษาเดียวกันอยู่ในที่แห่งเดียวกันข้าพเจ้าคิดว่า คนที่จะศึกษาเรื่องโอปปาติกะนั้นถ้าหากได้สำรวจสามัญสานึกของตัวเองว่าอยู่ในระดับไหนถ้ารู้สึกตัวว่าอยู่ในระดับที่ยังไม่อาจจะเข้าใจได้เราก็จะได้ยอมรับตามความเป็นจริงเหมือนกับเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนตาบอดเราก็จะได้ไม่คัดค้านเรื่องที่คนตาดีเขาเห็นเมื่อคนตาดีเขาบอกอะไรเราก็จะได้เชื่อเขา ถึงแม้คนตาดีบางคนอาจจะหลอกเราบ้างก็ยังดีกว่าที่เราจะไม่เชื่อเขาเสียเลยสามัญสำนึกอันหนึ่งที่มักจะหลอกให้คนเราหลงผิดอยู่เสมอคือสิ่งใดที่ตาเรามองไม่เห็นหูเราไม่ได้ยินแล้วไม่ยอมเชื่อว่าสิ่งนั้นมี คนโดยมากไม่ค่อยนึกว่าประสาทสัมผัสของเราอยู่ในฐานะมีขอบเขตจำกัดมากและยังมีความจริงอีกมากมายที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสสามัญสำนึกอันที่สองก็คือคนเราเมื่อเรียนรู้มาในทางไหนก็มักจะคิดแต่ในทางนั้นส่วนทางอื่น เขาจะไม่ยอมรับถ้าหากทางนั้นไม่เป็นไปตามหลักอย่างที่เคยรู้มาทุกคนควรจะรู้ตัวว่ายังมีความจริงอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้เพราะไม่ได้เรียนหรือแม้ความจริงเท่าที่เรารู้อยู่นั้นมันก็มีขอบเขตจำกัดสิ่งอื่นอื่นไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปตามกฎอย่างที่เรารู้เสมอไป คนที่จะศึกษาเรื่องโอปปปาติกะให้เข้าใจจะต้องพยายามสละสามัญสำนึกสองอย่างดังที่กล่าวมามิฉนั้นจะไม่มีทางเข้าใจเรื่องโอปปปาติกะได้เลยเพราะสามัญสำนึกทั้งสองอย่างนั้นจะทำให้เราตาบอดทำให้เรามืดต่อเหตุผลในเรื่องของโอปปปาติกะเราจะต้องพยายามยกระดับจิตของเราขึ้นไปให้พ้นจากระดับสามัญสำนึกทั้งสองอย่างนั้น ถ้าจิตของเราอยู่ในระดับที่พ้นจากสามัญสำนึกทั้งสองอย่างนั้นได้แล้วมันก็จะเหมือนกับเรายือนอยู่ในที่สูงย่อมจะมองเห็นสิ่งต่างๆข้างล่างได้ชัดแต่ถ้าเรายือนอยู่ที่พื้นข้างล่างนั้นเราก็ไม่อาจสามารถจะมองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือศีรษะเราขึ้นไปหรือถ้าหากจะเห็นก็ไม่ชัดคนที่ชอบพูดว่าเรื่องโอปปปาติกะไม่มีเหตุผลนั้น ส่วนมากเป็นเพราะคนเหล่านั้นยังหลงใช้สามัญสำนึกที่อยู่ในระดับที่ไม่อาจจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้